เรารวมกลุ่งกันตั้งวัดเช้าจบต่อไปเราก็นั่งทาความรู้สึกตัวรู้เนื้อรู้ตัวแล้วก็ฟังคําพูดเรากําลังมาศึกษากายใจของเราฝึกหัดปฏิบัติ เพื่อให้มันเห็นธรรมชาติที่กำลังปรากฏชีวิตเราต้องพร้อมเผชิญกับความตายหรือว่าการเจ็บการป่วยการปวดหรือว่าการแก่ชราภาพไปจิตใจที่มันปั่นป่วน ปั่นป่วนเวลามีอารมณ์มากระทบความพอใจความไม่พอใจมันมีกิเลส 1,500 มีตัณหาร0 8มันมีสิ่งแวดล้อมที่เป็นเหตุปัจจัยให้เราหลงรูปรถกลิ่นเสียงมันมีวัตถุต่างๆมีกิริยาการต่างๆที่มายั่วยุย่วยอนปลุกเร้า เิดมื่อไหร่ก็ทุกมานั้นอาการต่างๆที่กาลังปรากฏเช่นเหนาๆร้อนๆมากระทบมาสัมผัสหากไม่รู้สึกตัวรู้ไม่ทันมันก็โดนความทุกข์แบ่งโดนกิเลสลากกิเลสคือความโกรธความโลภความหลง มีจากยาไปหาละเอียดเราจะมาฝึกความรู้สึกตัวเป็นตัวทวงดุลเวลักษณะของสิทธิลักษณะของสติปัญญาก็จะเลือกได้ความเป็นปกติกับความไม่ปกติ เราก็จะสังเกตเห็นความรู้สึกตัวนะมันเป็นทุกๆอย่างเป็นตัวแก่มีหนาวก็มีไม่หนาวมีมืดก็มีสว่างมีกร่อยก็มีปกติความรู้สึกตัวจะแก้มาทางปกตินี่แล ตรงนี้ลหลมจะเกิดมงคลในที่เมื่อกี้เราสวดกัน38ประการนะนะมงคลของชีวิตเราเ้เป็นทางเดินที่เป็นความสว่างสวัยเห็นกายเห็นใจกลายเป็นรูปธรรมตอนเราจับรอเท้าเราก็หยิบมาใช้นั่งเดินยือนนอน เหมือนมิดเป็นเครื่องไม้เครื่องมือก็ว่าได้เหมือนมีรถสักคันเงี้ยเราจะใช้ยังไงต้องคอยดูแลยังไงเติมลมยางเติมน้ำมันเช็คน้ำมันเช็คน้ำกันเช็ดแบตเตอรี่คอยดูมันกังลังกายของเราคอยต้องอาบน้ำอาบท่าต้องกินต้องขับไทย ต้องยืดหยุ่นออกกาลังกายกายบริหารต้องพักต้องหลับต้องนอนต้องเอาไว้ต้องนิ่งนะนีแต่ส่วนใหญ่เป็นจะไวไปแล้วนะที่ว่าเป็นไปตามใจตามกิเลสอยากนั่งก็นั่งอยากลุกก็ลุกแต่ตอนนี้เรามาฝึกมาหัดนั่งก็รู้สึกตัวลุกก็รู้สึกตัว ก็คือเคลื่อนไหวรู้สึกตัวเอามาใช้จิตใจกั็เหมือนกันเราก็หยิบมาใช้ให้มันหยุดหยุดเย็นๆนะแล้วก็เป็นประโยชน์ด้วยคิดจะคิดในสิ่งที่เป็นประโยชน์นะแต่ก็จะมีความคิดชนิดหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมาแบบเราไม่ได้ตั้งใจมันก็เป็นไปตามพื้นของจิตนะผลิตนิสัยต่างๆ จิตดีก็จะหลงโปร่งไปทางที่ดีหลงเผลอนะแต่ปร่งไปทางที่ดีทีต่ตางที่ดีมันมีนิสัยมีร่องมีช่องมีทางมันมีมากมีผลอยู่บางทีก็ปืนจิตมันไม่ดีอากุศล น, นะมันมองอะไรก็เป็นอากุศลไม่หมดนะมองดีไม่เป็นคิดพูดทำาัก็เป็นโทนอกุศล น, นะนะั่นแหละพัฒนาอย่าง อันนี้ก็หมายถึงว่าเรากลับมาเห็นตัวเราเองเป็นอย่างนั้นเราก็จึงเห็นแล้วเห็นอีกอาการของจิตของใจเราโดยเพราะความคิดเป็นเงาของจิตความคิดนี่เป็นเงานะแต่เราเชื่อมันเนี่ยคิดแล้วโกรธคิดแล้วโลดคิดแล้วหลงคิดแล้วรักคิดแล้วชังคิดแล้วดีคิดแล้วชั่วคิดฉลาดคิดแล้วโง่ เหมือนกับเราเล่นกับเงาของเราอยู่ตลอดเวลาเงาเหมือนก็ไม่ใช่เราแต่มันตามเราไปตลอดเวลาติดตามวิบากกรรมมาเป็นเงาตามตัวทำยังไงก็มีผลประทับอกประทับใจลงไปลอยมีดกียรในหินจาไม่ลืมตายก็ไม่ลืมโกรธจัดเกลียดมากหรือว่ารักมากจําไม่ลืม ลอยมีดกีดในหินลอยมีดกีดบนดินใช้เวลาหน่อยเดี๋ยวก็ลืมเลือนไปลอยมีดกีดในน้ำเรากำลัลงฝึกหัดกันตรงนี้อารมณ์มากระทบก็หายทันทีเหมือนลอยมีดกีดอยู่ในน้ำเกิดอะไรขึ้นก็ตามในชีวิตก็ลืมทันทีลืมเพื่อที่จะเหมือนกับว่ามีชีวิตเป็นวันใหม่เป็นชีวิตขณะใหม่ เมื่อสักครู่นึงวินาทีที่ผ่านไปโกรธวินาทีนี้ไม่ได้โกรธมันทันกวันเลยทันทีทันใดทุกครั้งที่รู้สึกตัวเหมือนกับว่าเรารู้จักมันจริงๆทําไมรู้จักดีจะเหมือนกับนกนะนกนี่มันเล่นกับเงานี่ยแทงน้ําสแตนเลสเลยนะเวลามันบินมามันเห็นเงาเนี่ยมันเล่นมันจิกมันตีกับเงาของตัวเองนะถึงกับตายดีเดียว ข้าวก็ไม่กินนอนก็ไม่นอนมาตีจิตเงาตัวเองฉันใดก็ดีความคิดของเราก็เหมือนกันบางทีมันก็คุณคิดนั่งเดินยืนนอนตรงนี้มันจึงมีลักษณะของวันที่13กันยายนที่หลวงพุทเทียนนะบอกให้ออกมาจากความคิดออกมาจากความคิดความคิดนั้นเราเป็นสาเหตุเดียวให้เกิดความทุกข์ตัวสังขารการปรุงกันแต่งระลึก นึกคิดปรุงแต่งชีวิตของเรามันอยู่ตรงไหนแต่เราลึกรูก้กจะทําอะไรก็ทำํำสิ่งที่มันสําคัญเฉพาะหน้าเฉพาะหน้าการคิดการพูดการทำเราลึกทานนึกกับเอเอเอารหน่อยเอะอะไรเอะอย่างนั้นเอะอย่างนี้นึนนกถ้าคิดก็เป็นเรื่องเป็นลาวแล้วกันเนี่ยถ้าคิดดีเป็นเรื่องราวความดีถ้าคิดไม่ดีก็ฟุ้งซ่านไปเป็นปรุงแต่งสังขาร เวลาเรารู S <S mm ้สึกตัวจะเห็นขั้นตอนนี้คิดปรับรูปุ๊บนะันมาเลิกได้หรือว่าเมื่อกี้เราสวดมนต์เนีนะเราก็เจตนาที่จะอ่านแล้วก็คิดตามผสมกันยังไงสละแล้วก็พูดตามนึกแต่แล้วเราก็ได้เหมือนกับว่าสวดมันจะมีความคิดชนิดหนึ่งมาจ่อ เช่นวันนี้จะกลับบ้านกันแล้วนะัอาจจะมีความคิดเดี๋ยวจะเดินทางเก็บกระเป๋าหรือยังเก็บของหมดหรือยังมันจะคิดจ่อๆมาขอด้วยขอคิดด้วยคนองี้เราก็รู้แล้วเราก็กลับมาอ่านรู้สึกตัวต่อไปเราก็อ่านมีสติเลืกเป็นปัจจุบันในสิ่งที่กําลังทํามันก็จะแยกกันอย่างนี้นระหว่างเจตนาคิดกับไม่ได้เจตนาคิดเมื่อวานมีเพื่อเราถามว่าเวลาปฏิบัติธรรม แล้วเราจะกลับไปทํางานได้หรือไม่เพราะว่ามันต้องคิดบางทีต้องคิดเรื่องอนาคตวางแผนงานก็ไม่ได้ว่าอะไรเวลาเราฝึกหัดปฏิบัติเนี่ยเราก็ออกมาจากความคิดมารู้สึกตัวให้เห็นความคิดซะก่อ น, นเวลาทํางานแล้วรู้วอ๋อนี่คือความคิดต้องคิดต้องพูดต้องทํามันก็ต้องคิดต้องพูดต้องทําไปแต่ว่ามันจะถูกต้อง มันจะคิดอย่างถูกต้องแม่นยำตรงนี้แหละมถึงมีพัฒนาขึ้นมาในการทางานทาการมีความก้าวหน้าขึ้นมาในการที่จะใช้ชีวิตชีวิตมันจะก้าวหน้าเมื่อกี้ที่สวหลงมงค์คชีวิตมันจะเกิดขึ้นมาจะรู้จักให้อภัยจะรู้จักกตัญญูจะรู้จักลักษณ ะ, ะ, ะ, ะของความเย็นใจปกติ จะรู้จักอีกหลายๆอย่างขยันประหยัดซื่อสัตย์อดทนมันก็จะเป็นมงคลเป็นคุณสมบัติในการที่จะทำให้เราเดินเผชิญกับปัญหาแล้วก็เป็นปัญญาทั้งหมดมันจะทะลุทะลวงไปความรู้สึกตัวตัวเดียวเนี่ยแหละมันจะแก้ลักษณะของกรรมการกระทำของเราที่เคยทำนะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ถูกต้องตรงตรงนี้ นังมันก็ว่าวันทั้งวันมันมีความรู้สึกตื่นตัวดีจะมีอะไรก็สนุกกับมันสนุกกับงานสนุกกับการแก้ปัญหาสนุกกับการใช้ชีวิตของเราเป็นความรื่นเริงก็บบาา่าได้จิตใจจะปราบมื่ตื่นตัวตรงนี้แหละที่เรามาฝึกมหาหัดกันมันก็จึงเป็นเรื่องที่เราทุกคนมันจะมองข้ามไม่ได้ ถึงแม้จะมาแค่วันสองวันสามวันก็ยังดีกว่าไม่เคยได้ยินได้ฟังไม่เคยรู้จากไม่เคยฝึกหัดบางทีเนี่ยการทำวัดสวดมนต์มันก็ช่วยเราช่วยเราเวลาคิดมากๆเอาหนังสือทำวัดมาเปิดนั่งสวดมันก็จะเป็นความคิดที่อยู่กับปัจจุบันแล้วก็มันจะเป็นความคิดที่สร้างสรรค์ น้อมเอาคาสวดขององค์สมเด็จสัมมาวเจ้าแล้วก็เอามาสวดแล้วก็มีความหมายต่างๆมากมายเหลือเกินมันก็เป็นความหมายที่เราปฏิเสธไม่ได้อย่างเช่นเมื่อกี้เราสวดกันเงี้ยขันตั้งห้าเป็นของหนักเนอร์องนี้นะขันห้าคืออะไรมันมีรูปธรรมมีนามธรรมที่เรียกว่าขันห้าแล้วก็มนุษย์ หลายชีวิตก็หลงติดยึดในขันห้าเนะี่ยเหมือนกับเราเนี่ยแหละนะพอเรามาฝึกสติเราก็จะเห็นนระ่างกายของเราธาตุน้ําธาตุไฟธาตุดินธาตุลมอันี่ยรูปขันใช่ไหมรูปขันก็จะเหมือนกับต้นเสาวต้วนเนี้ยแต่ว่าต้นเสาวมันไม่มีวิญญาณครองแต่รูปขันของเรามันมีวิญญาณครองคือมันรู้ได้ด้วยตั้งแต่หูจนมาเรื่องกายใจย น, นะแต่ว่าวิญญาณก็เป็นนามใช่ไหม แล้วมันก็มีเวทนาด้วยเวทนาคือสุขสุขทุกทุกหนาวหนาวร้อนรอนอยู่ตอนเนี้มันรับรู้ได้ด้วยแต่ถ้าแยกกันมาไหลระหว่างกายกับจิตก็เหมือนคนตายอยู่ในโรงเย็นก็รู้ร้อนรู้หนาวอะอันนั้นก็คือวิญญาณออกจากร่างไปแล้วสัมผัสรู้ไม่ได้เวทนารู้ไม่ได้สุขสทุกทุกรู้ไม่ได้หรือว่าสัญญาคิดไม่ได้ สมองก็อตายนะขาดออกซิเจนไปสักประมาณ5นาทีสมองอตายร้ยเซหรือว่า4นาทีก็เป็นเจ้าชัยนิทราต่อมาก็คือลักษณะของการปรุงการแต่งความคิดนี่มันบันเจิดมากปรุงแต่งเป็นบุญก็ได้ปรุงแต่งเป็นบาปก็ได้ปรุงแต่งเป็นความฉลาดก็ได้ปรุงแต่งเป็นความโง่ก็ได้ลักษณะของโลกนี้มันมีตการปรุงแต่งแต่ว่า ธรรมชาติก็ปรุงแต่งตามเหตุตามปัจจัยอย่างนี้นี่คือขันเราก็เริ่มได้มาเห็นเรื่องกายดุลก้อนกระทบสัมผัสรู้สึกแต่เรื่องของจิตใจ น, นมันมีมากมายเหลือเกินแต่ว่าเป็นนามธรรมที่เราเคยถูกอิทธิพลของนามธรรมนั้นนี่มันคลอกงับเอเดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็ร้องไห้เวลาเราสูญเสียเกิดการสูญเสียพี่น้องพ่อแม่ล้มหายตายสูญ ลึกถึงได้ใหม่แล้วก็บางทีก็น้ําตาซึมบางทีอยู่คนเดียวเหงาว้าเวเี้ยเปล่าเปลี่ยวเดียวดายล้วก็จึงมีที่พึ่งก็คือความรู้สึกตัวมีสตินั่นแหละมีสติมีปัญญาที่เรียกว่าอาศวนาจะพาลนังปันทิจา น, นันตาเสวนาการควบคุมพานคือความคิดการควบบัณฑิตก็คือความรู้สึกตัวไปไหนนะความเป็นบันทีคือรู้สึกตัว มันมันรู้สึกตัวมันก็รู้นะหลายๆอย่างรู้ทุกเห็นทุกละทุก์พวกนี้กระบวนการเนี้ยมันกเกิดขึ้นมาให้เราผ่านจนกระทางเหมือนกับว่ามันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงไปนะชีิตอายุเรามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นวันเกิดก็เราก็มาถึงแต่ละรอบปีรอบปีรอบปีนะชีวิตขอามันก็ผ่านไปผ่านไปผ่านไป เพิ่มขึ้นทุกปีอายุแต่ว่ามันดีขึ้นทุกวันนานวันนานคืนก็ยิ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเหมือนมะพร้าวยิ่งแก่ยิ่งมันใช้ชีวิตแบบมันแบบสนุกไปเลยมีอะไรมาแล้วก็ก็เดเรื่องของโลกนินทาก็รู้แล้วสันสริญก็รู้แล้วยมีสุขมีทุกมีลาบมีเสื่อมลาบมียศมีเสื่อมยศมันก็เป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติของมันของโลกใบนี้ เราก็เตรียมใจไว้แล้วเราว่าแล้วกูว่าแล้วอย่างนะอย่างคนมีสามียเี้มีภรรยาเนี้ยเตรียมใจไว้เลยวันหนึ่งไม่เราเข้ามันต้องแยกกันแน่นอนสามีอาจจะไปมีใหม่โลกก็เป็นอย่างเนี้นะสัตว์ตัวผู้นะมันก็ที่นี่มีไก่นะจะชูไก่แจ้นะสัตว์ตัวผู้นะไก่ชนนะ่ะเดี๋ยวเช้าๆตื่นมาก็บินนะไปไหนแล้วไม่รู้ก็ไม่ได้ดูแลลูกไม่ได้ดูแลเมีย เมียก็บินมาตัวเมียก็เกาลูกกุ๊ก ก, กุ๊กกุกกกคุยเขี่ยหากินธรรมชาติของขมันไม่มีตัวเมียตัวไหนวิ่งตามตัวผูวหัวกูอยู่ไหนผัวกูอยู่ไหนไม่มีไก่นี่น่าจะเป็นครูล้วได้มันจะแย่กันไประหว่างคนสองคนที่อยู่ร่วมกันลูกกับแม่ลูกกับพ่อกัเหมือนกันมันเป็นการพัดปลากแต่เราต้องไปเชิญทุกคน สมบัติพัดกันชมก็เหมือนกันวัตถุต่างๆหนึ่งสองสามสี่ห้ามีสิ่งไหนก็ต้องพัดภาคจากสิ่งนั้นแต่เรามารู้สึกตัวมันก็ฝึกไว้แล้วพอถึงเวลาที่พัดภ้ากันก็เออก็เราว่าแล้วกูว่าแล้วมันก็จะต้องแยกกันไปอย่างนี้แหละเนี่ยเราก็คือมันอบอุ่นมันมั่นคงแล้วมันก็รู้สึกว่าชีวิตปลอดภัยมันมีความรู้สึกตัวไปไหนมันไปด้วยนั่งก็นั่งด้วยเดินก็เดินด้วย จะกินจะขับถ่ายก็ไปด้วยกันกับความรู้สึกตัวรู้เนื้อรู้ตัวถ้าเราฝึกมากๆเราก็ได้เห็นบางทีตากระพริบมนรู้สึกตัวได้ด้วยหายใจมันรู้สึกตัวได้ด้วยบางทีเกิดอาการปฏิกิยาต่างๆในกายมันก็รู้สึกตัวได้ไม่ก็ทั่งความคิดเวลาจิตมันว่าไบรมันคิดอ้าวรู้สึกได้อีกสิงไหนที่มันหยาบที่สุดมันแรงที่สุดมันเร็วที่สุด กำลังของสติของปัญญาก็รู้ทันทันทีเพราะเราฝึกหัดมามันก็จึงเป็นเรื่องที่ไม่สูญเสียแล้วก็ไม่สูญเปล่าการมาสามวันดีกว่าไม่มาเลยยิ่งมาเจ็วันนี้ยิงเกิดผลถ้าอยู่ต่อเนี่ยจะ เ, เกิดผลดีห้าวันหกวันเจ็ดวันไพรนั้นอย่าทิ้งอยากว่างไว้เพียงแค่นี้ไม่ใช่จบโครงการแล้วจบการอบรมไม่ทาอีกต่อไปคงไม่ใช่ ผู้ปรารถนาชีวิตที่ก้าวหน้าแล้วก็มัน่นคงแล้วก็มีความสุขเกิดความสงบเย็นได้ทำประโยชน์มันก็จะต้องนะะ่ะสร้างสารรค์เัวงเจริญสติเจริญปัญญาเจริญสมาธิให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อก่อนสมัยพุทธกาลเนี่ยนะทวิเคยสังเกตพระเจ้านี่ทำเรื่องยากให้ง่าย หลังจากที่รู้วันเพ็ญเดินหกขึ้นสิบห้าข้ามยามสามปิลากาท่านก็ออกเดินทางไปทางพารณสีไปเมืองสารนาดไปสิปตัตนามลกัทยวันออกเดินไปท่านไปสอนธรรมะท่านไปขายสินค้าในระบบไดเ t กเซลไม่ใช่ท่านรู้ที่พุธกยาแล้วสอนอยู่ที่พุทธกยาลพิหารประเทศดินเดีย ที่เรียกว่าอุลเวลาเสนานิคมท่านรู้แล้วท่านเดินไป300กิโลใช้เวลาแลมเดือนหลังจากนั้นท่านก็พูดประโยคที่อัญญากตอัญญะฟังแล้วก็บรรลุธรรมเลยก็เรียกว่าธรรมจักกระเป๋านาสูตรหลังจากนั้นก็ได้พูดถึงอนันต์แลก้ก็นาสูตรปัญจวัคคีย์ก็บรรลุธรรมลงมาทาง สอนใต้กับประเทศอินเดียอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สอนให้เฉดินสามพี่น้องนพันกว่าคนบรรลุธรรมแล้วก็โมกุลาสารีบทอีกหลายคนจนทั้งวันเพ็ญเดือนสมคนที่รู้เรื่องนี้หนึ่นคนใช้เวลาเจเดือนมาสังเกตดให้ท่านทำเรื่องยากให้มันง่ายนะท่านไม่ได้ทำเรื่องง่ายให้มันยาก มสังเกตด้วยไอ้ความรู้สึกตัวนี่มันไม่ใช่เรื่องยากนะใครๆก็รู้สึกตัวได้แล้วก็ทุกครั้งที่กลับมาที่กายมันจะรู้สึกชัดร่างกายของเราเนี่ยมันรู้สึกได้ชัดระบบประสาทนะเพราะฉะนั้นเมื่อจิตมันอยู่กับกายมันก็เป็นผู้เป็นคนนะแล้วก็เป็นมนุษย์แล้วก็สามารถที่จะยกจิตของตัวเองเป็นพระได้ด้วยนะเอากายเป็นวัดเอาใจเป็นพระอยู่ด้วยกันนั่นแนะรู้สึกตัวเมื่อก่อนมันอยู่กับความคิด มันจะเป็นพบภูมิมากมายแล้วเกินี่ยพอมาอยู่กับความรู้สึกที่กายปับ๊บเนี่ยมันก็เป็นความรู้สึกที่เป็นปกติปรากฏเด่นขึ้นมาสติก็เด่นขึ้นมานะคนมีสติคือไม่ลืมตัวนไม่ลืมเนื้อไม่ลืมตัวเอ๊จุดนี้แหละที่หลวงปู่เทียนท่านพูดเราได้ยินได้ฟังมาแล้วก็ไม่เชื่อหรอกแต่พอเกิดการกระทำกันไปมื่อเห็นอย่างนั้นนะตอนนี้เราเห็นกายเราเคลื่อนไหวนั่งอยู่หรือเป่า แล้วก็ที่นี่เดี๋ยวนี้ด้นะแล้วก็จิตใจก็ไม่ได้คิดอะไรปกติธรรมดาธรรมชาติอยู่นะมันก็มีธรรมะนั่นนะแหละการนี้เราอยู่ๆสามวันมาพูดถึงเรื่องสติสัมปชัญญะมันก็เหมือนกับว่าเรียนรัตน์นะเรียนรัดแต่ที่จะเริ่มต้นอย่างเช่นว่าที่เมืองพารนณสีที่สารนานตอนที่องค์สมเด็จสามมาเจ้าน ไปสอนธรรมะไปเผยแร่ธรรมไปเผยแผ่ธรรมรร ม, มีหนุ่มคนหนึ่งยะกุลบุตรไปลูกของมหาเศรษฐีของเมืองพาราณสีแต่ว่าทุกข์ใจมากเพราะว่าพ่อแม่มอบมรดกให้ก็เคยแต่แบมือของเงินไม่เคยรักษาทรัพย์ก็มีความทุกข์นะเวลาคนรวยมากๆมีเงินมากๆทันทีทันใด มันทำอะไรไม่ถูกมันคนถูกหวยนะหลายคนนะค่าตัวตายอยากรวยแต่พอรวยขึ้นมาเดี๋ยวคนนั่นก็นมายืมเดี๋ยวคนนี้ก็มาขอไม่เคยรู้จักก็มานับญาติเงี้ยให้น้อยมันก็คู่ท้ายสุดค่าตัวตายดีกว่าที่พัวเมียก็เลิกกันไม่เคยกินเล้าอะไรกินเล้าไม่เคยกินของดีเดีกินของดีๆเป็นโลกอีกสุขภาพไม่ดีเงี้ยนี่เว้ยตายดีกว่าไม่รู้จะอยู่ไปทําไมโลกใบเนี้ย ยศสาวกุลบุตรก็คงจะเป็นอย่างนี้ล่ะก็เดินไปกระบ่นไปวุ่นวายเนอะวุ่นวายเนอะวุ่นวายเนอะขัดข้องเนอขัดข้องเนอขัดข้องเนอเดินผ่านไปที่พระเจ้ากําลังเดินจงกรมอยู่กุฏิพระเจ้าเจ้าก็บอกมาทางนี้มาทางนี้ที่นี่ไม่วุ่นวายเนอที่นี่ไม่ขัดข้องเนอมาสํานักของเรามามาม า, มายศสาวกุลบุตรก็ถอดรองเท้าเดินเข้าไป พระเจ้าก็พูดถึงเรื่องอนุพิกาขาคาถาเจ็ดนะคือ 1, หนึ่งไอ้ที่ทุกันก็คือท่านขาดบุญนะหัดทําบุญนาทานซะบ้างบุญําทานไม่มีความสุขการให้ไะไมีความสุขนะต่อมาก็คือเมื่อทําบุญนาทานเนี่ยจิตใจเราจะดีขึ้นสวรรคนะ์มันมีความสุขคือขึ้นสวรรคนะ์ก็พูดถึงเรื่องสวรรค์นะมีกี่ภพกีพ่ภูมินะ สวรรค์หมายถึงอะไรก็คือพวกกลุ่มเทวดาขึ้นสวรรค์เช่นการปกครองก็เรียกว่าจุตุมมหาราชิกายนะพวกนี้ชอบปกครองมากจีนิวปกครองหรือชอบทรนะชอบทำเห็นอะไรไม่ดีทำหรือว่าคนมีพระคุณก็สั่งเขาพูดอะไรแอบฟังแล้วแม่มันอยากช่วยจริงๆปิดทองหลังพระไม่ว่าจะงานเล็กงานใหญ่ก็เรียกว่านิมานดลตี ทำอะไรก็สําเร็จมีฤทธิ์จะทําอะไรนี่ทันทีทันใดทันควรเลยคิดปับวางแผนทําสําเร็จด้วยพวกนี้มีฤทธิ์มีเดชพอสมควรส่วนพวกที่คิดแต่ไม่ได้ทําคิดว่าอยากจะได้นั่นอ้นี่โน่ น, นคนอื่นทําให้ก็เรียกว่าปัญมินทรัตสวัสดีนี่คือภพภูมิของเทวดาหรือว่าเราทํามาแล้ว เ, เก็บรู้จักเก็บรู้จักใช้ซื่อตรงซื่อสัตย์ ก็เรียกว่าเสวยล่ายผสมบัตรกระชั้นดูสิทธิ์อย่างเงี้ยเราก็ใช้ในส่วนที่เรามีเช่นเราทำงานทำการเนี่ยก็ต้องเรียกว่าเก็บน้อยผสมน้อยมีสวลึงค์ควรมันจบห้ครบบาทอย่าให้่าสิ่งของต้องผสมมีน้อยใช้น้อยก็้ารรจงจะจ่ายลงให้มากจะยากนานเราก็ขยันประหยัดเก็บคนจน ทำตัวรวยยังไงก็จนคนรวยทําตัวจนยังไงก็รวยต้องรู้จักตรงเนี้ยหาห้าใช้สิบก็ไม่เหลือมันก็เป็นลักษณะของการกระเม็รกระแแมประหยัดอดออมะนะชั้นดูสิทายสุก็ไดเสวยลรสมบัติก็คือของที่เราทํำมาไว้ด้วยตัวของตัวเองนะนะั่นแหะอาบเหงื่อต่างน้ำํำทายสุกสบายลําบากก่อนแล้วก็สบายเราเข้าใจเลยเวลาปฏิบัติธรรมนะความคิดจะเกิดขึ้นมาอารมณ์จะเกิดขึ้นมา มันก็จะมีตามองเห็นสิ่งเหล่านี้แหละคิดเป็นบุญคิดเป็นบาปคิดเป็นดีแค่เป็นชั่วนะเกิดการกระทำขึ้นมาแล้วก็มีผลจากการกระทำํำนะควรได้ก็ได้ไม่ควรได้ก็ไม่ได้นะโลกนี้ไม่มีคําว่าบังเอิญนนะอะไรจะเป็นของเราก็เป็นของเราอะไรไม่เป็นของเราก็จะไม่เป็นหรอกนะวิ่งไล่ไคว้ายังไงก็เหมือนไล่เงาตามตัวเลยเปล่าๆตอนแรกจึงควรหยุดนะหยุด กลับมาหาความรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัวตั้งสติให้ดีๆนะถ้าปรอมก็คือเมตตากรุณาเมตตาเบิกขาเราก็จะได้เห็นไม่ตังความเป็นผีในตัวเราก็เหมือนกันเวลาปฏิบัติคิดแบบผีๆ เ, เยอะอยากรู้จักผีก็กลับมาเห็นในตัวนี่แหละเวลาโกรดเป็นยังไงเวลาโลภเป็นยังไงเวลาหลงเป็นยังไงเวลามันหลอกตัวเองเป็นยังไงคิดหลอกตัวเองน ที่เขาบอกเขาบอกกันว่าผีไล่หกตัวนะผีหนึ่งชอบกินสุลาเป็นอาจินนะคือมันหลอกตัวเองการกินสุลาคือขี้ขาดตาขาวนั่นเองอาสุลาก็คืออาสุลากคืออาสูนอาสูนหรือว่าขี้ขาดหวาดกลัวเวลาจะทําอะไรก็หวาดกลัวกลัวชั่วกลัวบาปอะไรพวกนะี้ใช่หมดเลยเป็นเทพอาสูนเคยได้ยินไหมคําว่าเทพอาสูนก็คือกลัวว่าจะไม่ดีพวกนี้ ระไทยสุดจะทะเลาะกันยึดดีติดดีบ้าดีมันก็ยังมีเหมือนกันแล้วกลายเป็นทําดีทั้งน้ําตาประเภทนี้นเราก็เลยฝึกความรู้สึกตัวกันจะได้เห็นว่าความเป็นปกติมันก็มีเหมือนกันนี่เนี้ยการนี้เรื่องบุญพอเราทําบุญมันก็มีความสุขพอมีความสุขพูะเจ้าก็พูดถึงเรื่องว่าอทินาวะเป็นเรื่องของโทษของ การติดสุขไนะก้ดำริออกจากความสุขด้วยเรียกว่าเนกาคัมมะก็คือออกจากเรือนไม่เกี่ยวข้องโดยเรือนแล้วนะออกจากโลกโลกิยธรรมนาะมาสู่โลกกุตรธรรมนะมีโลกโลกียะเรียกว่าสุขโลกีแล้วก็มีสุขโลกุตรธรรมนะก็เรียกว่าสุขเย็นเป็นประโยชน์สุขเกษมสารนะเราก็ต้องเข้าถึงความเป็นสุโตองยนไปแล้วดยดีไปแล้วด้วยดี ถ้าเป็นสุขติก็มีความสุขพบภูมิที่มีความสุขท้ายสุขติสุขจนกระทั้งเลิมทุกข์ทุกติก็มีมีแต่ปัญหาขัดแย้งภายในจิตใจของเราเนี่ยเราจะเลือกได้เวลาปฏิบัติธรรมวันจันทราจะมาพูดถึงเรื่องสติฐานสี่เมื่อเราดำริออกจากเรือนไม่เกี่ยวข้องดนเรือนแล้วสติฐา น, น, น <ะ S 2> สี็คือให้มีการเลือกรู้ไปในกายการเลือกรู้ไปในเวทนา การรรู้ไปในจิตของเราการรึกรู้ไปในธรรมชาติต่างๆภายนอกภายในหลปรดกลิ่นเสียงปวด ต, ตาธรรมารมือว่าสติสีนสมาธิปัญญาปีติปสธิสุขพวกนี้โดยรู้จักมันทำที่เป็นกุศลทมที่เป็นกุศลต่อมาก็พูดถึงเรื่องทุกิจสั์สี่ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันไม่มีอะไรเป็นความสุขหรอก มีแตทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทั้งหมดนั้นะไม่ต้องมาถามว่าทําไมต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนู้นทําไมต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นทําไมเรื่องนี้ต้องเกิดกับลราทําไมไม่ต้องมาถามในโลกนี้มีแต่ทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทําไมมันหนาวทาไมมันหนาวจางมาสุกโตไม่ต้องถามในโลกนี้มีแตทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทําไมมันเมื่อยทาไมมันเมื่อยทาไมมันง่วงมันก็มีแต่ทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป มันไม่ใ่เรื่องอะไรเลยนะมันจึงหมดคำถามถ้าเห็นทุกเห็นเหตุแห่งทุกไม่รู้สึกตัวเองเนะมาพูดถึงสติปัฏฐานสี่มันจะได้เห็นความจริงลนะ้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดดับทั้งหมดนะเรื่องกายเรื่องจิตนะเพราะนั้นการมารู้สึกตัวกัรมาฝึกสติสัมปชัญญะเนี่ยมันดีอย่างนี้แหละมันทำ้เราเกิดความมั่นคงขึ้นมานะแล้วก็พึ่งตัวเองได้เลยว่าอะตตยหิตน า, นาโถ ในโลกนี้คําสอนใดหรือการกระทําใดๆถ้าทําไปแล้วไม่ใช่การพึ่งตัวเองคนะแนนหมายถึงว่าไม่ใช่คําสอนในศาสนาเลยอะไรที่พึ่งตัวเองได้อย่างประเดี๋ยวอีกสักครู่ฟ้าสางเลยได้เดินทางไปดูเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะเนะมื่อพอเพียงมันก็เพียงพอเนะเนะมื่อนทะําดีเมื่อมาพอดีนะมันก็ มันไม่ใช่ว่าดีแล้วพอมันไม่รู้ว่าแค่ไหนดีแล้วก็พอมันรู้ไม่ได้แต่ถ้าพอเราดีนะ่ะแค่นี้ก็พอแล้วตามอัตลักษของชีวิตเราอันนี้มันก็จะเป็นเรื่องของธรรมะธรรมชาติทั้งหมดการพึ่งตัวเองเมื่อ ก, การเคลื่อนเมื่อมันแค่ไหนพอดีอาเข้หาเองแล้วเคื่อนแค่ไหนพอดีจะช้าจะเร็วแค่ไหนก็หาเองแล้วความพอดีอยู่ตรงไหนหนั่งเดินยืนนอนแค่ไหนเวลาไหน ควรนั่งเวลาไหนควรเดิ น, นเวลาไหนควรยืนควรนอ น, นก็หาความพอเดียวเองก็แล้วกันตรงนี้แหละจนกระทั่งมันเหมือนกับว่าเกิดสมดุลขึ้นมาในชีวิตของเราจะทําอะไรมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรจะเกิดความปลาบๆขึ้นมาจะเกิดความสงบระงับขึ้นมาจะเกิดความรื่นเริงขึ้นมาจะเกิดความสุขขึ้นมาจะเกิดความตั้งมั่นขึ้นมาจะเกิดการเบื่อหน่ายคลายจางขึ้นมาบางเรื่อง เห็นความจริงของชีวิตแล้วก็เกิดการไม่ให้ราคาขึ้นมาทางตาหูจหมูกยิ้นกายใจ ม, มันไม่ให้ราคาไม่ให้ค่ามันก็หลุดพ้นกําหนดรู้ด้วยการรู้กําหนดรู้ด้วยการละหลุดพ้นกําหนดรู้ด้วยการผ่อนคลายบรรเทาแก้ไขความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเนี่ยมันก็จะคือความรู้ที่เป็นความรู้ครอบจักรวาลเลยก็ว่าได้ ไปแล้วะคำตอบแบบกคำปั้นทุบดินเลยกลับมาหาความรู้สึกตัวในทุกๆโจทย์ที่มันมีอยู่ในชีวิตที่เหลือของเราทุกๆขณะต่อไปเขาวุ่นวายเราไม่วนวายเรารู้สึกตัวอยู่เขาสับสนเราไม่สับสนเราเรารู้สึกตัวอยู่เขามีปัญหาเราไม่ได้มีปัญหาเรารู้สึกตัวอยู่นะเราปกติเขาไม่รักเราเราก็รักเค้เาก็ไม่เมตตาเราเราก็เมตตาเขามันง่ายดีก็เปลี่ยนตรงนี้ไปเลย ยิงโลบายนี้การเข้าใจกันยากนะเขาว่าเราว่าความเป็นจริงมันมีอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ถึงความเป็นจริงกันก็คือไม่เป็นอะไรช่างมันมันเป็นเรื่องของมันมีหลวงพ่อกำเขียนท่านเคยพูดไปผ่อยว่ามาสุกตอเนี่ยไม่ต้องเอาอะไรไปมากเก็บพับใส่กระเป๋ากลับไปเลยก็คือความรู้สึกตัวเนี่ยสั้นๆง่ายๆประโยคนี้ประโยคเดียว แล้วก็เอายาสามลากไปด้วยยาสามลากที่ว่าเนี่ยคือจําไว้เลยไม่เป็นไรช่างมันเป็นเช่นนั้นเองสามคำเนี่ยจำมาไว้เลยเนะปะถึงอะไรเกิดขึ้นมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออมันก็เป็นของมันเช่นนั้นเองเอียเออมันก็ง่ายแบบนเนี้ยนะมันก็ถึงเป็นเรื่องที่ว่ามันไม่เหลือวิสัยที่เราจะทําได้ ก็ขอให้มีความเพียนกันต่อไปนะไม่ใช่แค่จบวันนี้วั น, นเดียวเราเห็นว่าสมควรแก่เวลาตายสุขกขออานวยพรให้พวกเราทุกคนทุกท่านนะที่มาฝึกหัดจะทำกันก็ขอให้เจริญด้วยอายุด้อนเนะดยสุขะดยประลนะมีโอกาสจะทำงานชอบใดๆก็ตามก็มีความสำเร็จมีความสาเร็จมีความสาเร็จมีโอกาสที่จะทำบุญทำทานรักษาสีแล้วก็เจริญสติฝึกสติ จะนั่งชีวิตมีแต่ความสุขเกษมสารโดยทั่วนาการทุกท่านทุกคนนั่นเือน